การบรรยายวันนี้นะตลอดจนกิจกรรมที่เราจะทำตลอดทั้งวันจุดมุ่งหมายอาจจะแตกต่างกับคอร์สที่เราเคยผ่านมาคอสหรือการปฏิบัติที่เราเคยผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เรามีชีวิต ท, ที่ผาสุขนะได้พบความสงบเย็นในใจิตใจมีชีวิต ท, ที่จเจริญก้าวหน้าสามารถจะรับมือกับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้โดยใจที่ไม่ทุกข์แต่ว่าคอสที่เราจะ เข้าร่วมตลอดทั้งวันเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันจะเน้เรื่องการตายดีนะไม่ได้เนนเรื่องการมีชีวิตที่ดีเท่าไหร่คนเราเนี่ยจะคิดถึงแต่เรื่องการอยู่ดีอย่างเดียวไม่พอะเราต้องนึกถึงเรื่องการตายดีด้วยเพราะว่าสุดท้ายเราทุกคนเนี่ยก็ต้องตายกันทั้งนั้น จะอยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีสุดท้ายก็ต้องตายแต่ถ้าจะตายทั้งทีก็ควรจะตายดีนะและแน่นอนนะเมื่อมีชีวิตทั้งทีก็ควรจะมีชีวิตที่ดีแต่ชีวิตที่ดีกับการตายดีแม้ว่ามันจะสัมพันธ์กันมากแต่มันก็ไม่ได้อ่เป็นอันเดียวกันนะคนที่มีชีวิตที่ดี ก็อาจจะตายไม่ดีก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวแล้เขาจะทําความดีมาเยอะแต่เขาถ้าถ้าเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยการตายเขาก็าา จ, จะเป็นการตายที่ไม่ดียังมีความห่วงอะไรยังมีความรู้สึกผิดติดค้างใจ อาจจะยังมีความน้อยเนื้อต่ำใจที่ค้างคาอยู่ในใจจนกระทั่งเวลาสุดท้ายซึ่งจะเป็นเช่นนั้นก็ยากที่จะตายดีได้ถ้านะคนเราเนี่ยในเมื่อเราต้องตายกันทุกคนนะก็ควรจะนึกถึงเรื่องการตายดีเอาไว้แต่นึกถึงไม่พอนะ มันต้องมีการตะเตรียมด้วยและการตัเตรียมเนี่ยไม่ใช่ต้องรอให้แก่เพราะว่าคนเราเนี่ยเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าในขณะที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราจีโมโอกาสแก่เพราะว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่ได้เลวราจะต้องมาถึง เมื่อเราแก่าจะมาถึงในยามที่เรายังหนุ่มยังสาวกำลังประสบความสำเร็จในชีวิตชีวิตกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้มันมีภาษสิทธิทเบสที่เตือนใจคนได้ดีมากนะก็คือ ระหว่างพรุ่นี้ก็ชาติหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อนไม่มีใครเลยนะที่เป็นปุุ้ชนที่จะรู้ว่าหรือมั่นใจได้ว่ามีพรุ่งนี้แล้วจึงค่อยมีชาติหน้าชาติหน้าจะมาก่อนมันพรุ่งนี้ก็ได้หมายเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราวันนี้เนี่ยมีคนประมาณแสนหกหมื่นคนแสนห้าหมื่นคน ที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยในคนไทยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็ประมาณพันหกร้อยคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหนึ่งในพันหกหรือว่าแสนท่าที่ว่านี้หรือเปล่าเพราะ น, นั้นเนี่ย การเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยรับมือให้ใหพร้อมกับความตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายเราก็จะตายดีนะอายุยาวอายุสั้นไม่สำคัญนะอยที่ว่าตอนตายเนี่ยติตสงบไหมมีอาการทุรนทุรายหรือเปล่ามีอาการหลงตายไหม อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเอาไว้บ้างคนทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องการมีชีวิตให้มีความสุขเราจะเดินไปให้ถึงจุดหมายของชีวิตได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่หลายคนใคร้ครวญแล้วก็กังวล มีคนเปรียวเทียวว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางการเดินทางก็งมีจุดหมายชีวิตก็ต้องมีจุดหมายเหมือนกันการเดินทางถ้าไม่มีจุดหมายมันก็ไม่เรียกว่าการเดินทางชีวิตถ้าไม่มีจุดหมายเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าแต่ว่า ชีวิตกับการเดินทางแตกต่างกันอย่างหนึ่งนะการเดินทางเนี่ยจุดหมายกับปลายทางอยู่ด้วยกันนะเราไปเชียงใหม่เชียงใหม่ก็คือจุดหมายแล้คือปลายทางแต่สอดชีวิตเนี่ยจุดหมายกับปลายทางมันคนละอันนะจุดหมายนี่อยู่สูงเลยความสุขในชีวิตความมั่งคั่งร่ารวย เกยตยศชื่อเสียงหรือว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะลูกหลานประสบความสำเร็จเติร์นก้าวหนานี่กลายเป็นจุดหมายชีวิตของหลายคนหรือบางคนอาจจะมุ่งไปถึงการพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานหัวสูงมากเลยแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยนะมันคนละเรื่องนะนึกถึงจุดหมายชีวิตแล้วมันก็เกิดกําลังใจแต่พอนึกถึงปลายทางชีวิตแล้วหลายคนก็หอเหี่ยว พรปลายทางชีวิตคืออะไรคือความตายหลายคนเนี่ยดิ้นรนเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่อาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าปลายทางชีวิตมาก่อน<ะ>เราทุกคนก็ต้องรู้อยู่ในใจแล้วว่าปลายทางชีวิตเนี่ยมันมาแน่ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะไม่สนใจที่จะตัดเตรียมสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเรียนในโรงเรียนหมหาเทัลแล้วก็ไปเข้าคอร์สต่างๆเนี่ย mm. ก็เพื่ออะไรก็เพื่อบรรลุถึงจุดหมายชีวิตแต่เราเคยที่จะเรียนเพื่อการเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อปลายทางชีวิตมาถึงหรือเปล่า พวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยนะก่อนที่เาจกออกจากบ้านมาเมื่อเช้านี่ไม่รู้มีคนในบ้านถามหรือเปล่าว่าจะมาทำอะไรหลายคนก็าจะาบอกกว้างๆว่ามาปฏิบัติธรรมมีใครบอกพ่อแม่บอกลูกไหมว่าจะมาเข้าคอส์ผสานความตายสงบ หลายคนไม่กล้าบอกหลายคนก็บอกนะและคําตอบที่ได้รับจากคนใกล้ตัวก็บอกว่าประหลาดแปลกมาเข้าคอสแบบนี้ได้ยังไงที่จริงไม่เข้าคอสแบบเนี้ยแปลกมากกว่าใครที่ไม่มาเข้าคอสแบบเนี้ยหรือมาเรียนหรือมาเรียนรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าแปลก คุณเคยสังเกตไหมเคยคิดบ้างหรือเปล่าเวลานั่งเครื่องบินน่ะก่อนที่เครื่องบินจะทยานขึ้นฟ้าเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องเจออยู่ทุกเที่ยวบินเลยพนัก ง, งานต้อนรับ a อร์โฮสเตสเขาก็จะแนะนำว่าเขาจะมาซักซ้อมว่าถ้าเกิดเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุนะเราจะทำตัวอย่างไร ก็จะแนะนำการใช้หน้ากากออกซิเจนก็จะแนะนำว่าจะใช้เสื้อชูชีพอย่างไรจะออกทางไหนประตูไหนใช่เพราะอะไรเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุใช่มแต่เคยเจออุบัติเหตุแบบที่ทำให้ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไหมพวกเราเคยเจอไหมนั่งเที่ยวบินมาไม่เคยเจอใช่ไหม อาจมาเชื่อว่าพวกเราในหลายคนเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะที่นั่งเครื่องบินเนี่ยอาจจะไม่เจอเลยอุบัติเหตุเป็นเครื่องบินนะ่ะชนิดยิ่งชนิดที่ทำให้ตายเนี่ยยิ่งไม่เจอใหญ่เพราะถ้าเจอก็คงจะไม่มาที่นี่แล้วใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าโอกาสที่จะเกิดเครื่องบินตกจนถึงคนตายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนหนึ่งในหมื่นได้ไหมหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนนะ หนึ่งในแสนไม่ถูกอะ่ะหนึ่งในล้านนะจริงๆเนี่ยโอกาสที่ครื่องบนจะตกจนมีคนตายเนี่ยหรือเกิดอุบัติเหตุจนมีคนตายเนี่ ย, ห น, น ย, นยหนึ่งต่อสองจุดห้าล้านเที่ยวหมายความว่าเนี่ยหนึ่งเที่ยวเนี่ยสองจุดห้าล้านเที่ยวจึงจะมีเหตุการณ์ครื่อมินตก หรืออุบัติเหตุตัวมีคนตายหนึ่งจุดหนึ่งต่อสองพันห้าหนึ่งสนองันสองจุห้าล้านเทียรมันเท่าไรเรากี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนศูย์สี่เปอร์เซ็นต์เอร์เน์เกิดน้อยมากอาจจะน้อยกว่าเราถูกรเฉียวชนบนทางม้าลายด้วยซ้ำแต่ยังมีการซ้อมมีการตัดเตรียมนะ ถามหมายว่าโอกาสที่เราจะตายในชีวิตนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่ได้เตรียมเลยส่วนใหญ่ไม่เตรียมเลยไอโอกาสคือมันจะตกจนมีคนตายเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนยศูนศูนย์สีส่เอร์เซ็นตยังซ้อมงันทุกเที่ยวบินใช่ไหมมันปลาดหมใช่ไหเวลาเราอยู่ตึกสูงเนี่ยนะทุกปีก็ต้องมีการซ้อม ไม่ใช่แค่ซักซ้อมอยู่เยนะต้องลงมือเลยนะวิ่งนะจะลงทางไหนถ้าเกิดมีไฟไหม้ตึกใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยอยู่ตึกมาสามสิบสี่สิบปีนะนะไม่เคยมีไฟไหม้ขนาดที่ต้องต้องหนีไฟเลยแต่ก็ยังซ้อมทุกปนะีโอกาสเกิอขึ้นน้อยมากแต่ทำไมซ้อม เพราะมันมีโอกาสจะเกิดและถ้ามันมีโอกาสจะเกิดแล้วเราซ้อมไหมเราก็อาจจะอยู่รอดปลอดภัยแต่ทำไมในเมื่อเราต้องตายทุกคนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนเนี่ยทำไมไม่ซ้อมเลยหรือเป็นเพราะว่าการซ้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้รอดให้ปลอดภัยถ้าตายแน่ไม่ต้องซ้อมหรือไงถ้าตายแน่ก็ยังควรซ้อมนะเพื่ออะไรเพื่อให้ตายดี นะไม่ใช่ว่าเมื่อเราทุกคนต้องตายแล้วก็ไม่ต้องซ้อมนะเรายังเลือกได้ว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีแต่การเลือกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือเจตน า, ยยาเดียวมันต้องเกิดจากการลงมือกระทำด้วยมันไม่ได้เกิดจากความอยากมันเกิดจากการ ต, ตรัสรีมวันนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเตรียมใจหรือการซักซ้อมเพื่อเผชิญความตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากใจน่าแปลกที่มันไม่มีสอน ในโรงเรียนนะไม่มีการฝึกในหมหาชัยแล้วก็ไม่มีคอร์สต่างๆนา น, นานที่จะสอนเรื่องนี้แม้กระทั่งทุกวันนี้มันมีการอบรมที่ว่าไลฟ์โคชชิ่งโคชชิ่งรู้จักใช่ไหมไลฟ์โคชชิ่งก็ไม่มีเรื่องนี้ว่าจะโคชยังไงนะถึงเวลาตายจะตายแบบสงบเต็มใจตาย แม้ะทั้งการโค้ชหรือการสอนเรื่องชีวิตเนี่ยให้เรื่องความตายก็ถูกมองข้ามไปการเตรียมตัวตายเรื่องสำคัญนะเพราะเราทุกคนเนี่ยต้องตายและจะตายอย่างไรเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดแผ่นดินไหวเครื่องบินตกหรือเจ็บป่วยสิ่งสำคัญกับ ต, ตัวแปรสำคัญนะว่าเราจะตายดีหรือไม่อยู่ที่ใจของเราแม้ประสบบัติเหตุก็มีสิทธิ์ตายดีได้นะแต่อะไรทำให้คนเราเนี่ยไม่คิดจะเตรียมตัวเลยอาตมาคิดว่าเหตุผลหนึงคือว่า ไม่อยากคิดถึงความตายนะทำไมถึงไม่อยากคิดเพรากลัวตายที่จริงเมื่อกลัวเนี่ยนะยิ่งต้องเตรียมเพื่อให้หายกลัวแต่แปลกนะพอเรากลัวตายเราก็เลยไม่นึกถึงความตายแล้วเราก็เลยไม่คิดที่จะเตรียมตัวตายเลยแม้แต่การพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกห้ามนะในหลายในหลายบ้านหลายครอบครัวเนี่ย ถ้ามีใครจะพูดเรื่องนี้เนี่ยก็จะถูกห้ามยกเว้นว่าเป็นการพูดถึงความตายของตัวละครเช่นความตายของโกโบรินะก็จะคุยมันสนุกเลยนะว่าบโกโบริไม่น่าตายเนะหรือว่าความตายของตัวละครในอะไรอเวนเจอร์นะไอวอนแมนไม่น่าตายเลยอาตมาได้ข่าวว่าไอาวนอวนแมนตายนะไม่ได้ดูหรอกนะ ไม่น่าตายเลยคุยกันเป็นเรื่องเวลานะถ้าเออแมนตายโกเบริตายแต่พอพูดถึงเรื่องความตายของตัวเองของคนใกล้ตัวพูดไม่ได้เป็นอัปมงคลที่จริงไม่ใช่ประมงคลหรอกแต่ว่ามันไม่อยากนึกไม่อยากพูดจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะคนไม่คอยตระหนักความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตาย และที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความตายาเดียวนะไม่่ว่าความกลัวตายาเดียวสังเกตให้ดีนะทุกอย่างที่เรากลัวเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวสิ่งนั้นสิ่งที่เรากลัวเนี่ยนะน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวสิ่งนั้นบางคนกลัวตุ๊กแกตุ๊กแกเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่าความกลัวตุ๊กแกนะบางคนเห็นตุ๊กแกก็หวยขนลุกเลย ทั้งยุ้ยแกตุ๊ก แ, กกแกนี่น่ารักนะแต่พระกลัวทุกแก่เนี่ยพอเห็นก็โ้โหหัวใจเต้นแรงบางคนกลัวลูกโป่งลูกโป่งมันน่ากลัวหรือเปล่าไม่ น, น่ากลัวลูกโป่งไม่น่ากลัวไอ้ความกลัวลูกปป่งต่างหากที่มันน่ากลัวกว่าบางคนกลัวเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาไม่น่ากลัวถ้าความกลัวเข็มฉีดยาเพราะบางคนเห็นแล้วโอ้โหจะเป็นลมนะแค่เห็นนะเดีย๋ยวไม่ทันจิ้มอะไรเนะี่ย ความตายก็เช่นเดียวกันนะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายมะเร็งไม่น่ากลัวเท่าความกลัวมะเร็งนะคุณลองพิจาราดูดีๆลนะสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยไม่ใช่หนีความตายให้ไกลที่สุดแต่ควรทำให้ความกลัวตายเยนะี่ยมันบันเทาเบาบางลงไม่ใช่หันหลังให้ความตาย แต่ทำมาเผชิญหน้าความตายเพื่อเราจะได้กลัวตายน้อยลงและความกลัวเนี่ยทุกชนิดเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้มันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพูดไว้ดีนะครับเขาพูดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจคนที่พูดนี่คือมาลิคูรีนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อมากใครที่เรียนเคมีฟิสิกส์เนี่ยเดี๋ยวเพรเคมีเนี่ยจะต้อง ได้ยินชื่อคนเนี้พระแก่คนพบาธาตุเรดียมได้รางวัลโนเบลต้องสองครั้งไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอันนี้ก็ตรงกับคติพุทธศาสนาว่าความกลัวเกิดจากอวิชชาความกลัวเกิดจากอวิชชาเมื่ออวิชชาหายไปความกลัวก็หมดไป เด็กกลัวความมืดเพราะเด็กไม่รู้จักความมืดถ้าเรารู้จักความมืดดีเราจะพบว่าความมืดมีเสน่ห์มันสามารถจะบันดาลหรือดนใจให้กวีเขียนกวีนิพนธ์ที่ทยไพเราะได้บทกวีที่งดงามเนี่ยก็เขียนในยามค่ําคืนในยามเดินมืดด้วยซ้ำํำเพราะมันให้แรงบันดาลใจมันเป็น บรรยากาศที่สุนทริยะแต่พราะไม่รู้จักความมืดเด็กจึงกลัวเรากลัวความตายเพราะเราไม่รู้จักความตายดีพอถ้าเรารู้จักความตายดีพอเราจะพบว่ความตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตมันเป็นวิกฤตทางกายก็จริงแต่มันเป็นโอกาสทางวิญญาณโอกาสทางจิตท่าเจ้าพุทธทาบอกว่าเนี่ยความตายหรือตอนที่ใกล้ตายเนี่ยมันคือนาทีทองของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่โอกาสแห่งการบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยเปิดกว้างขึ้นพระอรหันต์หลายท่านท่านบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยตอนที่กำลังจะตายป่วยด้วยโรคร้ายถูกเสือกัดถูกไฟครอบหรือแม้กรทังตอนที่เอามีดปาดคอตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่าไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับท่านทำให้ท่านได้เห็น สัจะทําความจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่นายึดถือจิตก็ปล่อยวางนะปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งสังขารร่างกายนี้นะก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์หมดทุกหมดกิเลสแต่ถึงแม้เราไม่ปรารถนา น, นิพพานนะเพราะเรายังอยากจะใช้ชีวิตอย่างทั้งโลกเนี่ย แต่ความเตาอ ย, ยังสามารถจะให้สิ่งดีๆกับเราได้หลายคนได้พบความสงบไม่ใช่ตอนไหนตอนจะตายเปื่อกตอมาคนอื่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่สิบเดปีสองปีสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากเพราะว่าเธอได้ปล่อยวางทุกอย่างหรือปล่อยวางได้เกือบหมดจนทั้งใจมันสบาย ท, ทั้งที่มะเร็งก็ลามไปเยอะ อีูฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยตอนท้ายท้ายของชีวิตเนี่ยแกให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ถึงเจ็ดวันหรือห้าวันก่อนเสียชีวิตเนี่ยแกบอกว่าหลายอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับเขาเขาขรู้สึกเขามีความสุขมากเลยสุขกว่าตอนไหนไหนในของชีวิต นี่เขาพูดเนี่ยตอนที่กำลังจะตายตอนที่มะเร็งมันก็ลุกลามไปเยอะแล้วเขาคงไม่ได้โกหกแน่นอนถ้าคนที่กำลังจะตายเนี่ยแต่กับบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งแล้วบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสองสามเดือนที่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ามีความสุขมากมันแสดงเห็นว่าความตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและความสุข ความสงบที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ความตายค่อยๆมอดให้กับเขาหลายครอบครัวนะที่เคยเหินห่างหมังเหมือนกันพอคนใดคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วใกล้จะตายเนี่ยสามีภรรยาก็หันมารักกันหันมาคืนดีกัน พ่อกับลูกที่เคยหันหลังให้กันก็กลับมาดูแลการสวมกอดกันมีผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่าเนี่ยเธอมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับพ่อเป็นประจําเลยเพราะเธอเป็นวัยรุ่นแต่พอพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเลยนะทะเลาะเบาแหวงกันน้อยลงเธอรักพ่อมากขึ้นดูแลพ่อมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ในบ้านก็ดีขึ้นึเธอก็บอกว่าเนี่ย มั่นมาเล็งมันช่วยทำให้ความสัมพันธ์ภายในบ้านของเธอเนี่ยมันดีขึ้นนะเพื่อจะมาดูแลแม่ที่กำลงังจะตายสองไปสุดท้ายเธอลางานมาดูแลแม่เป็นเพื่อนแม่ไปโรงพยาบาลจนทั้งแม่เนี่ยติดเตียงเธอก็ดูแลแม่ทุกอย่างเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่ป้อนข้าวให้แม่ทำอาหารให้แม่กินปรุงอาหารด้วยสูตร ด้วยเมนูที่แม่เคยทำให้เธอก่อนนอนก็บอกรักกันกอดแม่หอบแก้มแม่แม่ก็บอกรักเธอเธอบอกว่าช่วงเวลาสองปีสุดท้ายเนี่ยของแม่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากสำหรับชีวิตของเธอเธอได้ทำสิ่งที่มีความสำคัญอย่างที่สุดนะและเป็นช่วงที่เธอมีความสุขเช่นเดียวกันตอนที่แม่เสียชีวิตเธอก็ แม้จะร้องไห้นะแต่ก็ยิ้มโดยยิ้มทั้งน้ำตาเพื่อตอมาคนหนึ่งนะแกเสียศูนย์ทันทีที่เมื่อทราทบว่าภรรยาเนี่ยเป็นมะเร็งแกรักภรรยานี่มากนะตอนที่ว่าภรรยาเป็นมะเร็งเนี่ยนะแกบอกแกอยากจะหลับแล้วก็ไม่ต้องตื่นมาอีกเลย เพรเมื่อตื่นขึ้นมาแเราพบความจริงว่าเมียเรยาจะตายเนี่ยมันมันทนไม่ได้แต่ต่อหลังได้สติได้คิดนะได้คิดว่าเอ้ยในเมื่อเมียเราจะจากไปเราก็ควรจะใช้เวลาให้มันมีคุณค่าที่สุดแต่ก่อนทะเลาะบบาแวงกับเมียเป็นประจำตอนหลังเนี่ยหันมาใส่ใจฟังตั้งใจจะฟังเธอทุกเรื่องฟังด้วยความใส่ใจ ไม่เถียงไม่บนเพราะก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วกลับมามีความสุขยิ่งกว่าเดิมวันหนึ่งคุยคุยกันนะอย่างมีความสุขฝ่ายหญิงก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนี่ถ้าเราไม่เป็นมะเร็งเราจะมีความสุขแบบนี้ไม่นอถ้าเป็นมะเร็งคงทะเลาะ ก, กันนะแต่พอเป็นมะเร็งแล้วโอ้มันมันเปลี่ยนความสัมพันธ์นะกลายเป็นดีไปได้นะอันนี้เรื่ความตายเนี่ยหรืออ่า ความตายที่ใกล้เข้ามาเนี่ยมันสามารถจะนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเราได้เมื่อเรามองแบบนี้มันก็จะเห็นว่าความตายมันไม่ได้เป็นสิ่งลเลวร้ายเสมอไปมันก็มีประโยชน์นะมันก็มีคุณค่าซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยมองความตายในมุมใหม่เห็นความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวน้อยลงนะก็มองความตายเป็นมิตรมองความตายเป็นครูที่จะกระตุ้นให้เรา ไม่ประมาทเร่งทำความดีเสียแต่วันนี้อย่างที่มีพุทธภาษิตที่เราจะสวดอยู่บ่อยบ่อยความตายความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้เมื่อเราไม่แน่ใจว่าเราจะตายพรุ่งนี้หรือเปล่าเราก็ยิงเร่งทําความเพียรฝึกตนฝึกใจแล้วก็ใส่ใจคนรักดูแลเขาด้วยความอ่อนโยน สิ่งหที่คนเนี่ยกลัวความตายก็คือกลัวความทุกข์ทรมานแต่ว่าจะประสบการณ์ของอามตามานเนี่ยที่ทางานกับคนใกล้ตายแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนหลายคนที่ทำงานคกล้คาตมานเนี่ยเขายืนยั น, นว่าการตา ย, ยางสงบเป็นไปได้อตาตมายอยากจะพูว่าการตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ตายสงบ ไม่เป็นต้องเป็นพระไม่เป็นต้องเป็นแม่ชีไม่เป็นต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมเด็กก็มีสิทธิ์ตายสงบได้คนกลายวัดก็มีสิทธิ์ตายสงบได้นะการตายสงบเป็นสิทธิของทุกคนแต่ว่าสิทธิมันมาพร้อมกันหน้าที่นะเราจะมีสิทธิ์ตายสงบได้ก็ต่อเมื่อเราทําหน้าที่หน้าที่ที่ว่าคือหน้าที่ต่อความตาย ก็คือเตรียมตัวตา ย, เ ต, ย, ตตายเตรียมตัวที่จะตายให้ดีที่สุดไม่โกงไม่หนีนะไม่บายเบียงหลีกเลี่ยงความตายเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่ยอมตายไม่ทำหน้าที่ตายยิ่งทรมานนะแต่เมื่อความตายมาถึงแล้วเต็มใจตายเราจะตา ย, ยางสงบทุกคนนะการเตรียมตัว อ ย, อย่างที่นว่เรามาเข้าข้อส่วนนี้ก็เป็นการทําหน้าที่ต่อความตายและถ้าเราเตรียมตัวดีสิทธินั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับที่เราเนี่ยถ้าเราขยันทํางานเราก็จะได้สิทธิพิเศษจากที่ทํางานมีโบนัสหรือว่ามีวันลางานเพิ่มขึ้นถ้าเราทําหน้าที่ต่อความตายอย่างดีนะไม่บ่ายเบี้ยงไม่เหล็กเลี่ยงฝึกฝนให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเราก็จะได้รับสิทธิคือการตายดีคือการตายอย่างสงบแต่เราจะทําหน้าที่ได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อเราตระหนักนะว่าความตายเป็นหน้าที่หน้าที่ต่อความตายเนี่ยนะมันต้องเริ่มต้นจากการตระหนักความตายคือหน้าที่ของเราเราทุกคนมีหน้าที่ตาย เราไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ว่ า, ารักษาตัวให้อยู่รอดแล้วก็แพร่เผาพันธุ์นะเรามีหน้าที่ตายด้วยที่ธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีสมดุล น, นะก็เพราะว่าทุกชีวิตในธรรมชาติเนี่ยเขาทำหน้าที่นี้ต้นไม้เมื่อถึงเวลาเขาก็ค้นล้มตายเพื่อเป็นปุ๋ย เป็นอาหารให้กับแมลงแล้วก็พวกเห็ดลาต่างๆเห็ดลาเหล่านี้เมื่อถึงเวลาถึงหน้าไป ก, ก็มีหน้าที่ตายเพื่อเป็นอาหารให้กับชีวิตต่างๆสัตว์หลาชนิดสัตว์ทุกชนิดก็ตายเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นส่วนถ้าเป็นอาหารให้กับเราด้วยและเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่นะนี้ด้วยเหมือนกัน การตายเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะเพราะถ้าพ่อแม่ไม่ตายแล้วลูกจะเอามารดกจากไหนนะถ้าเรารักลูกเราต้องอต้องตอตระหนักว่าเรามีหน้าที่ตายนะเพื่อลูกนะแล้วลูกไม่ที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งมีชีวิตต่งางๆในร่างกายเราเนี่ยเขาทาหน้าที่นี้ด้วยเหมือนกันทุกทุกวัน มีเซลล์ในร่างกายตายเนี่ยวันละห้าหมแสล้านเซลล์นะทุกวันเลยนะเขาตายเพื่ออะไรเพื่อเปิดทางให้เซลล์ใหม่ที่ใหม่สดนะแล้วก็มีการมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ถูกต้องเซลล์ไหนที่เก่าชราแก่ชราหรือเซลล์ที่มีการถ่ายทอดยีนคโครโมโซมที่ผิดพลาดเนี่ย เขาจะลาโลกไปนะเขาจะค่าตัวตายนะมันมีกระบวนการทำลายตัวเองนะยินดีตายเพื่อเปิดทางให้เซลล์ใหม่ได้เกิดขึ้น mm hmm. เพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามีสุขภาพดีเราต้องขอบคุณนะความตายที่เกิดขึ้นในตัวเรา ถ้าหาว่าเซลเหล่านี้ไม่ทําหน้าที่เนี่ยเราเดือดร้อนนะมันมีเซลล์ประเภทหนึ่งนะ้าที่หมอหรือวงการแพทย์เนี่ยให้สมมติยานามว่าเซลล์อมตะเซลล์ที่ไม่ตายมันจะแบ่งตัวตลอดเวลาแบ่งตัวแบ่งตัวตลอดเวลาเซลล์นั่นคืออะไรเซลลเมล์งคุณเอาเซล์มล์งเนี่ยนะเอามาเลี้ยงไว้ในจานนะแล้วคุณให้อาหารไปเรื่อยๆนะ มันจะอยู่ไปเรื่อยๆนะมันก็จะแพร่พันไปเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อนะเคยมีคนเอาเคยมีหมอเนี่ยเอาเซลล์มะเร็งจากมดลูกของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนผิวดามแนอมริกาเอามาเพาะในจานแล้วมันก็โตแล้วมันก็ไม่ยอมตายสักทีเขาก็แบ่งเอาเนื้อเยื่อแบ่งเอาเซลล์เนี่ยไปเพาะที่อื่น แล้วก็มีโรงพยาบาล น, นั่นสถาบันโนดมาขอไปเพื่อไปศึกษาไปผลิตยานะนานาชนิดไม่ใช่เฉพาะยาสำหรับป้องกันมะเร็งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณหกสิบเจสิบปีเซลล์จากผู้หญิงคนนั้นก็ยังแพร่กระจายไปทั่วโลกเรียนในโรงเรียนแพทย์ทุกโรงเรียนนะ เมฮิดโดนลามาซีล่าก็ต้องเรียนจากเซลล์ของเธอเซลล์นี้ชื่อว่าเซลเะละ์โคเซลลซ์ลายเซลล์ลายคือสายสายสายพันธุ์ของเซลล์ช่วยฮีล่ามาจากชื่อยองเธอเฮริเตอร์เฮริเฮเริตตาแลกมีคนประมาณว่าไ อ, ไอเนื้อเยื่อของเธอเนี่ยนะตั้งแต่เอามาจากเอามาจากมะม่วงเธอเนี่ย ตอนนี้รวมกันแล้วหนักกี่หนักเท่าไหร่รู้ไหมหนักเป็นตันนะห้าสิบตันได้ไห ม, มเยอะไหมห้าสิบล้านตันครับห้าสิบล้านตันไม่ใช่ห้าสิบตันนะห้าสิบล้านตันมันไม่ตายอ่ะมันก็แพรไปเรื่อยแพรเรื่อยแพร่ไปเรื่อย เ, อยเอยนี่ยคือสเสลล์อามาตะถ้าสเสลล์ถ้าเสลลไม่ตายนะเราตาย แต่ที่เราไม่ตายเพราะเซลล์เนี่ยนะมันทำหน้าที่ตายมันทำหน้าที่ตายเราก็เลยอยู่รอดไงนะเราต้องขอบคุณความตายนะทั้งหมดที่พูดมาเพื่อเชื่อเห็นว่าความตายมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปและมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะกลัวสิ่งที่เราควรจะกลัวมากกว่าคือความกลัวตายและนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะทำ ใ, ให้มันหายไปจากจิตใจ อย่าไปสู้กับความตายอย่าไปหนีความตายแต่ควรจัดการกับความกลัวตายมากกว่าแล้วที่เรามาฝึกมาเรียนเนี่ยก็เพื่อที่เราจะกลัวตายให้น้อยลงและเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวละมือความตายได้อย่างดีเพราะถ้าเราถ้ารัมือความตายได้ดีนี่ความตายก็จะอ่าเป็นจะมีคุณุปการกับเรานะ่ยนกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนอ่อ มันก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อที่ทําให้เราได้มาเตรียมตัวรับมือความตายหรือใคลายควเรื่องความตายได้มากขึ้นการบรรยายก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่จะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่จะทําให้เราได้ใคลายควเรื่องนี้มากขึ้นนะอเพราะฉะนั้นก็ออาตมาจะเกริ่นเท่า น, นี้ก่อนนะแล้วก็เราจะน่านก็จะเข้าสู่กิจกรรมนะต่างๆอตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งถึงสี่โมงเย็นนะอ่า ช่วงช้าเนี่ยคุณน้องเนี่ยนะพูนชีวิจะมาช่วยัำมาเดี๋ยวว่าทากิจกรรมเรื่องเกมไพ่ขายชีวิตนะแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็อ่าคอยนะติดตามต่อไปอันนั้นขอตอนตอนช้าเนี่ยเกิด น, นำท่านนี้ก่อนนะก เ, เดี๋ยวจะขอนนมูลพระอาจารย์ค่ะว่า เพราะแล้พระอาจารย์ถึงเอาไพ่มาให้คนในสังคมได้เล่นกันนะคะหลายคำถามจากไห้เหล่านี้นะมันเป็นคำถามที่สำคัญที่ถ้าเราไขว่ควรนแต่เนิ่นๆเนี่ยไม่ทำให้เรามีเวลาเต็มตัวเช่นตายดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรหรือ สมมติว่าเราคิดว่าถ้าวาระสุดท้ายมาถึงเนี่ยเราอยากจะตายที่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะตายที่บ้านเนี่ยก็ต้องถามต่อไปว่าเออแล้วบ้านของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันน่าตายไหมส่วนใหญ่เราเราสร้างบ้านให้หน่าอยู่นะ <c oughs> เราสร้างบ้านให้หน่าอยู่แต่ลราไม่คิดที่จะสร้างบ้านให้หน่าตาย นะอันนี้ถ้าเราเชื่อเอออยากจะตายที่บ้านนะเราก็ต้องคิดแล้วทาไงจะให้บ้านมันเป็นที่ที่น่าตายไม่ใช่แค่หน้าอยู่แนะและของนี่มันต้องใช้เวลาในการตัดเตรียมนะคำถามบางอย่างเนี่ยมันเราจะเชื่อมันไม่ใช่ประเด็นแต่ใครจะไปรู้นะตอนจะตายเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเช่นคนที่เราอยากจะพบนะ ในเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเล็กๆพอลูกพอคลอดลูกมาได้แล้วสองสามเดือนไม่กี่เดือนแกก็ทิ้งเมียแล้วก็ครอบครัวไปแต่งงานใหม่ผ่านไปสามสิบปีแกไม่เคยย้อนกลับไปหาครอบครัวเดิมเลย พออายุได้หกสิบกว่าเนี่ยแกก็เป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งลุกลามถึงระยะท้ายเมื่อแกลวกแกคงจะไม่รอดเนี่ยแกราร้องอย่างหนึ่งนะคือขอพบหน้าลูกชายคนที่แกทิ้งเอาไว้คนที่แกทิ้งไปเนี่ยเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วอยากเห็นหน้า ทำไมอยากเห็นหน้าทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยคิดอยากจะเห็นหน้าลูกของตัวเลยยุค น, นั้นของตัวเลยนะจะคงรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ทิ้งเขาไปแล้วก็ก่อนจะตายเนี่ยแกอย่างน้อยได้เห็นหน้าการเห็นหน้าหรือการได้พบเขาก็คงจะเป็นส่วนช่วยลดความรู้สึกผิดนะตอนที่แกไม่ป่วยแกไม่แกคงไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ มันงั้นแกก็ต้องย้อนกลับไปกลับไปหาครอบครัวเก่ากลับไปหาลูกชายคนนั้นแต่ตอนจะตายเนี่ยนะมันแกคงตัาตายไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอเจอลูกชายซึ่งแกไม่เคยเห็นหน้ามาสามสิกว่าปีเราพอสตอกร์อดีในโงพยาบาลรงพยาบาลก็ดีนะไปติดต่อเราพอสาตาร์ให้ไปตามหา บ้านเก่าครอบครัวเก่าแกแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอลูกชายลูกชายก็ดีนะแม่ว่าอาจจะรู้สึกไม่รู้สึกผูกพันกับพ่อจะรู้สึกเกลียดพ่อด้วยซ้ําที่พ่อทิ้งเขาไปแต่แกก็มาให้พ่อได้เห็นหน้าในเวะลาสุดท้ายนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคือคําถามบางอย่างเนี่เราเชื่อมันไม่เป็นประเด็นนะแต่ใครจะไปรู้อ่ะมันอาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาตอนจะตายก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดค่อยควรสักหน่อยนะอ่ามันก็ช่วยทําให้เราได้ ได้ได้ตากเตียมได้เตียม้อมนะมันมีคำถามอีกเยอะนะซึ่งอาจจะมาคิดว่าอ่าถ้าเราลองเอามาใคร่ครวญดูหลายคนหลายครอบครัวเพราะว่าเกมไพ่ขายชื่อเนี่ยเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ดีเป็นตัวช่วยในการที่เปิดโอกาสให้มีการคุยกันในครอบครัวของตัวหลายคนเนี่ย บึกษาว่าเนี่ยทำงางดีให้ให้พอ่อให้แม่มาเต็มตัวเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้เกณฑไพ่ไครชื้เนี่ยไปนะไปเล่นนะไปเปิดประเด็นในครอบครัวแบบซอฟซอฟแบบง่ายๆเบาคําคำถามาอย่างก็เบานะเช่นในเวลาสุดท้ายเนี่ยคุณอยากจะให้ดาราคนไหนมาเยี่ยมคุณหรืออยากจะพบหน้าดาราคนไหนนะ เออคุยอย่างนี้มันก็มันก็ทำให้เพลินมันก็ทำให้คุยกันเรื่องนี้ได้อย่างอย่างราบรื่นคือกับ break the ice นอะอ่มันจะมีมันมีคำถามพวกเนี้ยเบาๆเนี้ยเยอะนะแต่คำถามหนักๆก็มีซึ่งบางกคทถายทำให้อึง้งอันนี้ก็เป็นสื่อที่ดีเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการเปิดใจคนในครอบครัวนะถ้าว่าจะพูดตรงๆไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะอ่า ใครสนใจก็ติดต่อหาซื้อได้จากเธือขายพุทธิการเนี่ยไม่รู้ข้างล่างก็มีขายวันนะ อ, ะอันนี้ก็ประเด็นเนี้ยเรามีคุยเยอะแต่เรามีเวลาแล้วเพราะว่ามากิจกรรมวันนี้เยอะน ะ, ะ, นะเดี๋ยวเพราะนั้นก็เอาทันี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงสี่สิบนะอาจริญพร